50 languages. 99 n e คำแสดงความเป็นเจ้าของร r a n g b e t u ม a i แมวของแฟนดิฉัน Yin toiriin p u สุนัขของแฟนดิฉัน ยินโทอดนินน้อยของเล่นของลูกดิฉันยินคุรันเดย์คลินบอมเบย์คลนี่คือเสือ้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอีนยินนูดันปันนีปุริบ่วรินเมลังกีนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันยินยินนูนฟัีปุริบ่วรินมอเตอร์วนันดี นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอ็นนุ่นปนีปุริบวรินเวลเลยกระดุมของเสื้อหายไปสัตยินบัตรนโพยวิตาดุกุญแจโรงรถหายไปวันดิก a ราจินซาวีย์กอนวิลเลยคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย เมลอนอรินคนนี้เวเลสเย่เวลเลย์ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงเฟนนิมเปโตรยาร์ดดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรน้องเอาเวลาเด็กเปโตรินวีที่รู้ว่าอย่าพูดบดบานอยู่ตรงสุดถนนอันดับวีดโซลล์อินมูดีวิลอีริกี เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรสวิตเซอร์แลนด์นอรทินทะเลน่าตินเพย์เออนน์หนังสือชื่ออะไรพุทธกตินทะเลปุยยันน์ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรอันดายลีรปะวรินคูรันเดกัดินเพย์เออนนโรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไร คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงม த ு வ ர ว சந்திக்கும் ந เ ர ம ் எது เ, เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรอรุณกอชีอยัปปกษมย்ยี่ปอดต์เทรันเดร็คคุ้ม